บทที่4ดูการสารีบุตรกำเนิดมีสี่อย่างนี้สอย่างเป็นฉนยัยคือกำเนิดที่มีในฟองไข่กำเนิดที่มีในคันกำเนิดที่มีในที่ชื้นแฉะและกำเนิดที่ผุดขึ้นทันทีกระแสรูปที่เป็นหลักสำคัญแห่งกระแสรูปจำนวนน้อยอย่างนี้มี3ประการคือวัตถุทัศกะ กายะทัศกะและภาวะทัศกะคืออิทถินีของสตรีหรือปุริสินสีของบุรุษโดยประการนี้กรรมชรูปสามสบท่วนโดยขอบเขตสูงสุดในปฏิสนธิขณะของทัพพระเสยกะบุคคลชื่อว่ารูปขันถ้าปฏิสนธิของบันดอย่อมมี ภาวะทัศกะย่อมลดไปกรรมมัชรูปยี่สิบท่วนโดยจำแนกเป็นทัศกะสองหมวดชื่อว่ารูปรขันกลุ่มรูปที่มีสีคราหยาดน้ำมันงาและเนยใสยที่ไม่ขุนมัวอย่างนี้ชื่อว่าน้ำใสากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดขึ้นได้เพราะอสุจิและ ระดูของบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีระดูและสัตว์ผู้พึงไปเกิดก็ปรากฏเมื่อนั้น เพราะปัจจัย3ประการประชุมพร้อมกันอย่างนี้การถือกำเนิดในคันจึงมีได้รูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานเริ่มแต่ปฏิสนธิรูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานเริ่มแต่จิตดวงที่สองจิต75ดวงยกเว้นอรูปวิปากจิตสี่ดวงและทวิปัญจวิญญาณจิตสิบดวงเมื่อเกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานนับแต่พวังคจิตดวงแรกเป็นต้นมาน้ำใสเกิดขึ้นก่อนจากน้ำใสเป็นฟองน้ำใสาจากฟองน้ำใสเป็นชิ้นเนื้อจากชิ้นเนื้อเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อเป็นปุ่มใหญ่ห้าปุ่มต่อจากนั้นมีผมขนและเล็บเกิดขึ้น ในบรรดาอายตนะภายในของเหล่าสาัตว์ผู้เกิดในคันมณายตนะและกายายายตนะย่อมเกิดในขณะปฏิสนธิอายตนะที่เหลือสี่อย่างย่อมเกิดในราตรีที่77ส่วนในปฏิสนธิการทัศกะทั้งเจกลุ่มคือจักขุทัศกะโสตทัศกะคานาทัศกะชิวหาทัศกะ กายะทะัศ ก, กะภาวะทะัศ ก, กะและวัตถุทัศ ก, กะย่อมปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในที่ชื้นแช่และโอปปาติกาเป็นอย่างมากส่วนในรูป ภ, ภูมิคานะทะัศ ก, กะชิวหาทัศ ก, กะกายะทะัศ ก, กะและภาวะทะัศ ก, กะกับรูปกาลาบที่เกิดจากอาหารย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นในปฏิสนธิ การของพรหมเหล่านั้นจึงมีรูปกาลาบที่มีกรรมเป็นสมุทฐานสี่อย่างคือทัศกะทั้งสามด้วยการจำแนกเป็นจักขุทัศกะโสตทัศกะและวัตถุทัศกะกับชีวิตตนวกะจักขุทัศกะ โสตทัศกะวัตถุทัศกะและสัธทธนวกะย่อมไม่ปรากฏแก่อสัญญสัต์จิตต์รูปทั้งหมดย่อมไม่ปรากฏแก่อสัญญ า, มมาสัญญาตย์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นในปฏิสนธิการของอสัญญาสัตย์เหล่านั้นชีวิตตนวกะเท่านั้นย่อมปรากฏ และรูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานเริ่มแต่การแผ่ซ่านไปของโอชาปฏิสนธิะวังและจุติจิตเป็นจิตดวงเดียวกันนั่นเองและมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวกันในภพเดียวกันคำว่าะวังคุปปเฉทะในคำพีอภิธรรมมัฏฐสังคหะดีกาหน้าที่99 และคัมภีอภิธรรมมัทธวิภาวินีหน้าที่2 2งรกล่าวว่าเป็นชื่อของผวังคะจลณะดวงที่สองแต่เป็นผวังที่ตัดกระแสผวังที่ต่อเนื่องจึงได้ชื่อเฉพาะว่าผวังคุปปัตเฉทะที่จริงแล้วเมื่ออารมมากระทบทวารจะเกิดผวังสองขนาดผวังดวงแรกชื่อว่าผวังคัจลณะ ส่วนพวังดวงที่สองชื่อว่าพวังคูปัจเจทะอย่างไรก็ตามท่านพระอนุรุท ธ, ธาจานได้เรียกชื่อพวังทั้งสองดวงว่าพวังขาจารณนะเพราะท่านกล่าวไว้ในหน้ายีสองว่าเมื่อพวังขจิตไว้แล้วสองครั้งคือเกิดพวังขจิตสองดวงนอกจากนั้นในคำภีสัมโมหะ วิโนทนีได้เรียกอวัชนะจิตเป็นต้นที่ตัดกระแสพวังว่าเป็นพะวังคู่ปัจเฉทะส่วนในประวัติการลำดับแรกอเหตุตุกกะมโนวิญญาณธาตุฝ่ายกุศลวิบากและอกุศลวิบากกุศลวิบากสันติระนาจิตและอกุศลวิบากสันติระนาจิตสองดวงให้สำเร็จกิจสีอย่างคือสันติระนาจิต ในลำดับต่อจากมโนทาต์ฝ่ายกุศลวิบากและอกุศลวิบากทางปัญจทวารทัทารมนาคกิจตามในที่กล่าวไว้ก่อนทางทวา 6, รหกผวังขจิตในเมื่อมีจิตตุบาทที่ตัดผวังต่อจากปฏิสนธิที่ตนได้ให้แล้วและจุติกิจในที่สุดเป็นกิจที่มีวัตถุแน่นอน มีทวานอารมณ์ฐานและกิจไม่แน่นอนย่อมเป็นไปแมคคำพีสัมโมหาวิโนโทนีโยชนาก็แสดงรูปวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่าผวังคู่ปัดเฉทะคือจิตที่ตัดผวังกามัชวนะจิต29ดวงคืออกุศลลจิตส2องมหากุศลลจิตแป มหากิริยาจิต8และหะสิตุ ป, ปาทจิตอัปนาชวะณะมี26ดวงคือรูปาวจรกุศลลจิตหรูปาวจรกิริยาจิตหอรูปาวจรกุศลจิตสอรูปาวจรกิริยาสี่และโลกุตระจิตแป ด้วยธรรมีประมาณเท่านี้วิถีจิตจึงมีส4ดวงพะวังคจรณะสองดวงและขณะแห่งจิตดวงหนึ่งที่ล่วงไปก่อนแล้วดังนั้นขณะจิต17ขณะคือจิต17เจดวงย่อมบอริบูร์หลังจากนั้นอารมณ์ก็ดับไปอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ชื่อว่าอติมหันตารมณ์ อารมณ์ที่ปรากฏชัดทางใจมากที่สุดวิถีจิตเช่นนี้เรียกว่าชวนะวาระดังคมภีในอภิธรรมมัทธสังคหากกล่าวว่าอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วไม่เพียงพอที่จะตั้งอยู่ปราบจนกระทั่งการเกิดขึ้นของตถารมณนะจิตได้มาปรากฏแล้วชื่อว่ามหันตารมณ์อารมณ์ที่ปรากฏชัดทางใจมาก ในวิถีจิตของมหันตารมณ์นั้นมีการตกผวางในที่สุดของชวนะจิตไม่มีการเกิดขึ้นของตถารมณะจิตวิถีจิตนี้เรียกว่าโวฒพณะวาระดังคำพีอภิธรรมมัทธสังคหะกล่าวว่าอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วไม่เพียงพอที่จะตั้งอยู่ตราบจนกระทั่งการเกิดขึ้นของชวนะจิต ได้มาปรากฏแล้วชื่อว่าปริตตารมอารมณ์ที่ปรากฏชัดทางใจน้อยในวิถีจิตของปริตตารมนั้นมีเพียงโวฒพนะจิตเท่านั้นที่ดำเนินไปสองถึงสขณะเพราะไม่มีชวนาจิตเกิดขึ้นถัดจากนั้นจิตตกพวังไปวิถีจิตนี้เรียกว่าวิภูตารม ส่วนในมโนทวาราวิภูตารมมาปรากฏถัดจากนั้นวิปากจิตที่ทำหน้าที่ตัทารมย่อมเป็นไปในที่สุดของผวังคัาจารณะมโนทวาราวัจชนะและชวนะจิตหลังจากนั้นจึงตกผวังไปวิถีจิตนี้เรียกว่าอาวิภูตารม แต่ในอวิภูตารมจะมีการตกผวังในที่สุดของชวนจิตไม่มีการเกิดขึ้นของตาารมณะจิตบุคคลย่อมเห็นรูปด้วยวิถีจิตหนึ่งรู้รูปที่ดับไปแล้วด้วยวิถีจิตที่สองรู้รูปร่างสันฐานด้วยวิถีจิตที่สามและรู้ชื่อด้วยวิถีจิตที่สี่คาถานี้เป็นคาประพันธ์ของมหาสีสยด ในหนังสือปฏิจจสมุขบาทเล่มหนึ่งหน้าที่127โดยคล้อยตามคาถาในเชิงอัฏฐะข้อที่29บทที่4บุคคลย่อมได้ยินเสียงด้วยวิถีจิตที่หนึ่งรู้เสียงที่ดับไปแล้วด้วยวิถีจิตที่สองรู้ชื่อด้วยวิถีจิตที่สและรู้รูปร่างสันฐานด้วยวิถีจิตที่สี่ ข้อความว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปแม้ที่มิได้พบเห็นย่อมสำเร็จได้ด้วยรูปมีการเหยียดคูเป็นต้นที่เกิดจากจิตซึ่งบุคคลพบเห็นในบัดนี้บุคคลตั้งใจแล้วจึงทำกรรมทางกายวาจาและใจ ข้อความว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปแม้ที่ไม่ได้พบเห็นย่อมสำเร็จได้ด้วยรูปมีการเหยียดคูเป็นต้นที่เกิดจากจิตซึ่งบุคคลพบเห็นในบัตรนี้ดูกราพิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วจึงทำกรรมทางกายวาจาและใจ เมื่อนามรูปมีอยู่จึงมีวิญญาณเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสภาพธรรมคือเจตสิกมีใจเป็นผู้นำมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้ามีใจชั่วแล้วหรือพูดทำสิ่งใดความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนล้อหมุนตามเท้าโคติดติราชาโดกพบในคำพีชาโดก มีเรื่องเล่าโดยย่อว่านกกระทาต่อถูกในพรานจับมาเพื่อล่อให้นกกระทาตัวอื่นมาติดบวงทำให้นกกระทามากมายถูกในพรานจับฆ่ามันสงสัยว่าตนทำบาปหรือไม่จึงถามดาบท่ทานตอบว่าถ้าไม่มีความคิดว่าขอให้นกที่มาเพราะเสียงหรือเห็นรูปของเราแล้ว จงถูกจับหรือถูกฆ่าก็ไม่มีบาปสภาพธรรมมีใจเป็นผู้นำมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้ามีใจผ่องใสแล้วพูดหรือทำสิ่งใดความสุขย่อมติดตามตัวเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาติดตามตัว